ตอนที่เจ็ดสิบปดเอาเด็กออกซะเป็นไปได้ยังไงระหว่างที่พูดเจ้งเศร้าเหิงเดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้ามึนงงและแววตาที่เต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขายังคงจ้องมองหลีหวานคลางพึมพำไม่หยุดว่าไม่จริงนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะลีหวานกำลังกินลูกแพรแฉกแข็งที่ย่าเพิ่งหยิบออกมาจากตู้เย็นพอกัดลงไปคําหนึ่งความเย็นก็ซ่านไปถึงหัวใจช่างสบายตัวจริงๆกลับมาถึงยังไม่ทันล้างมือก็กินของกินเสียแล้ว ลี่ชิงผิงมองลูกสาวด้วยสายตาเอ็นดูพลางเอ่ยเตือนหนูหิวเกินไปนี่นาสลัเป่าสองลูกที่หลี่หวันกินไปเมื่อเช้าถูกย่อยไปนานแล้วระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนเธอหิวจนเส้กิว๋วหิวแล้วยิ่งไม่ควรทานของเย็นๆแบบนี้เจ้าชุนฮวารีบลุกไปที่ห้องครัวเพื่อยกกับข้าวออกมากินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วค่อยว่ากันเจ้างเศร้าเฮงยังคงสะพายกระเป๋านักเรียนจ้องมองหลี่หวันตาไม่กะพริบหลี่ชิงผิงเห็นท่าทางของเขาแล้วก็รู้สึกมุนงงขึ้นมาทันทีเส้าเฮงเป็นอะไรไปลูก อาสไปรรองตอนที่อาเรียนหนังสือผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับเจิ้งเซาเหิงถามขึ้นมาอย่างกระทันหันหลีชิงผิงยิ้มพรางตอบอาไม่เคยเข้าโรงเรียนหรอกจะอ่านออกเขียนได้ไม่กี่ตัวทําไมจูจ่ๆ ถ, ถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาละ่ะแล้วโจเจี้ยนเย่ยล่ะครับเจิ้งเซาเหิงไม่ได้เรียกพ่อของหลีหวานแต่เรียกชื่อโจเจี้ยนเย่ยตรงๆเขาวถ้าผลการเรียนดีก็คงไม่ได้ไปเป็นทหารหรอกจ้ะเรายิ้มบนมุมปากของหลีชิงผิงจางลงเล็กน้อยเซาเหิงมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะจะอ้างไปหมดแล้ว พวกอสองคนต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่เรียนเก่งมากแน่ๆไม่อย่างนั้นเสียหวานจะฉลาดขนาดนี้ได้ยังไงเจ้าชุนฮวาที่อยู่ในห้องครัวได้ยินหลานชายพูดถึงโจจี้นเย่เธอกําลังจะด่าว่าพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดขึ้นมาทําไมแต่พอได้ยินว่าเขาแค่ชมว่าเสียหวานฉลาดเธอก็เปลี่ยนใจเธอหัวเราะออกมาอย่างอ่อนใจจะชมก็ชมไปเถอะแต่อย่าไปเอ่ยถึงไอตัวสวยนั่นให้เสียบรรยากาศเลยอาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรลิชิงถิงหัวเราะออกมาอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดก็ได้จะ้ะ เรื่งเศ้าเหิงเม็มริมฝีปากแน่นเขารู้สึกอิจฉาในความฉลาดของหลีหวานจริงๆโรงเรียนพวกเจ้าจะปิดเธอมเมื่อไหร่นี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วหน้าหนาวแบบนี้ยังต้องวิ่งไปกลับโรงเรียนทุกวันเดียวก็ได้หนาวจนป่วยกันพอดีเจ้าชุนฮวาเดินเข้ามาพลางเอ่ยถามจริงได้ย่าจําได้ว่าช่วงก่อนเจ้าบอกว่าใกล้จะสอบแล้วผลสอบของพวกเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าชุนฮวารู้ดีว่าคะแนนสอบของหลานชายคนโตมักจะติดอันดับต้นๆของห้องเสมอซึ่งเธอก็รู้สึกภาคภูมิใจมาก ส่วนเสียวหวานเองก็สอบเข้าเรียนได้ด้วยตำแหน่งจ่วงหยุนการสอบเข้ามาัธยมปลายแถมยังข้ามชั้นมาถึง2ระดับผลการเรียนย่อมไม่เลวร้ายแน่นอนก็ดีค่ะลิวหวานตอบกลับด้วยสิงอุยเพราะของกินใปากถือว่ารักษามาต ร, รฐานได้คงที่คะแนนรวมของผมกับเสียวหวานห่างกันถึง20คะแนนเลยครับเจิง้งเซาเหิงเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อน้องเป็นอันดับหนึ่งของสายชั้นสอบได้คะแนนเต็มส่วนผมเป็นอันดับ3าของโรงเรียนแต่อันดับสองกับคะแนนของน้องยังห่างกันตั้งสิบกว่าคะแนนเลยครับ คะแนนของหลีหวานเรียกได้ว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นการสอบปลายภาคครั้งนี้ข้อสอบค่อนข้างยากเจิ้งเศร้าเหงิงคิดว่าตัวเองทําได้ไม่เลวแล้วเพราะก่อนสอบเขาได้ทบทวนจุดที่ยากยากไปเกือบหมดและแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นพระหลีหวานช่วยติวเข้มให้เป็นพิเศษแต่พอคะแนนออกมาเจิ้งเศร้าเหิงถึงกับอึง้งเขาไปเรียนที่โรงเรียนทุกวันไม่เคยขาดช่วงพักก็ไม่หยุดพักแม้แต่ตอนวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเขายังท้องสาบ ในขณะที่หลีวรรณอยากไปเรียนเมื่อไหร่ก็ไปยิ่งช่วงหน้าหนาวเธอยิ่งไม่เคยโผล่ไปเลยสักครั้งคนเรานี้มันเปรียบกันไม่ได้จริงๆริหลานสาวของย่านี่ว่าที่จ้วงหยวนเกาข่าวชัดๆเจ้าชุนฮาวาหัวเราะจนหูปากไม่ลงเด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะแท้ๆลีชิงผิงเองก็ไม่คาดคิดว่าลูกสาวจะสอบได้คะแนนดีขนาดนี้อนาคตของเธอช่างรุ่งโรจน์เหลือเกินข้อสอบเกาข่าวต้องยากกว่าข้อสอบที่ทําอยู่ตอนนี้แน่นอนขตอ น, นี้สอบได้คะแนนเต็มแต่ตอนสอบเกาข่าวอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ หลี่วันกล่าวอย่างข่อมตัวมันจะยากมากเลยเหรอเจ้งเศ้าเหิงถามด้วยอาการเหม่อลอยทุกปีการสอบกาข่าวจะมีโจทย์รูปแบบใหม่ๆออกมาเสมอแน่นอนว่าต้องยากสิถ้ามันง่ายใครๆก็เข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ได้หมดแล้วไม่ใช่เหรอคะตอนที่หลี่วันสอบกาข่าวในชาติก่อนเธอทําได้ตามมาตรฐานและคะแนนที่ออกมาก็น่าพอใจทีเดียวถ้าเป็นอย่างที่น้องพูดคะแนนที่ผมสอบได้ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะสิ เจ้งเศร้าเหิงพูดจบก็สูญเสียความมั่นใจไปทันทีใบหน้าของเขาซีดเผือดลงไปหลายส่วนหลิวันรู้สึกว่าคําพูดของเธอไปจี้ใจดําเขาเข้าหรือเปล่านะเธอก็แค่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองผมอิ่มแล้วครับเจ้งเศร้าเหิงลุกขึ้นเตรียมจะกลับห้องเจ้าชุนหววเห็นว่าเขายังแทบไม่ได้กินอะไรเลยวัยรุ่นขนาดนี้ไม่ควรจะกินน้อยแบบนี้กินอีกหน่อยเถอะลูกจะรีบไปทําไมสุขภาพสําคัญที่สุดนะคุณยะครับผมไม่มีกระจิกกระจใจจะกินครับ พูดจบเจ้งเศร้าเหงิงก็กลับเข้าห้องไปเริ่มทําโจทย์อย่างบ้าคลั่งเขาไม่เชื่อหรอกว่าถ้าพยายามให้มากขึ้นคะแนนจะยังสู้หลีหวานไม่ได้เซาเหฮงเป็นเด็กที่มีวินัยมากเขาต้องสอบติดมหาวิทยาลัยที่หวังไว้ได้แน่ๆ แ, แต่เรียนหนักเกินไปก็น่าสงสารนะหลีชิงถิงพูดเบาๆอย่าให้เหนื่อยเกินไปเลยเดี๋ยวตอนดึกๆแยกจะทำบะหมี่น้ําใสให้เขาสักชามกินให้อิ่มแล้วค่อยนอนเจ้าชุนฮวากล่าวเด็กคนนี้ต่างจากเสี่ยวสวีกับพี่น้องของเขาจริงๆเป็นเด็กที่ทําให้เธอสบายใจที่สุดในบรรดาสามคนนี้หลีหวาน ในมุมมองของเธอเจิ้งเส้าเหิงพยายามและขยันมากพอแล้วคนที่ทำได้ถึงขนาดเขานั้นมีน้อยมากจริงๆแต่คนเราก็ไม่ควรจะยุติ ก, กับคะแนนเพียงอย่างเดียวเพราะแม้แต่คะแนนเกาข่าวก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งในชีวิตแค่ทำใจให้สบายและใช้ความสามารถที่มีให้มากที่สุดปรับใดที่พยายามแล้วก็จะไม่เสียใจภายหลังในช่วงหนึ่งเดือนที่หลิวเคอเคอถูกขังอยู่ข้าในโจเจอีอยนเยียไม่เคยไปเยี่ยมเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งถึงวันที่หลิวเคอร์เคอพ้นโทษเขาก็ยังไม่ไปมีเพียงแม่สกุลหลิวที่ไปรับหลิวเคอเคอเฝ้ารอแล้วรอเล่าแต่ก็ไม่เห็นคนที่อยากเจอแม่สกุลหลิวจึงพูดจาประชดประชันว่าไม่ต้องมองหาแล้วจะรีบไปโรงพยาบาลเอาเด็กคนนี้ออกซะแล้วก็รีบหย่า ก, กับเขาให้ไหวผู้ชายแบบนี้จะมีไว้ทำใมตอนเจ้าถูกขังเขายังไม่คิดจะช่วยออกมาตอนนี้เจ้าออกมาเขายังไม่มารับแสดงว่าในใจเขาไม่มีเจ้าเลยแล้วเจ้าจะยังดันทุรังอุ้มท้องลูกของเขาไปเพื่ออะไร อย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะตอนนี้เจ้ายังสาวเขายังไม่สนใจถ้าเจ้าแกะตัวลงเขาจะยิ่งไม่แยแสเจ้าเข้าไปใหญ่แม่ขมีอะไรก็กลับไปพูดที่บ้านได้ไหมต้องมาด่าหนูข้างนอกนี่เลยเหรอลิวเคอเคอพูดอย่างรําคาญหนูเพิ่งออกมาก็ทําให้หูหนูไม่สงบเสียแล้วถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้หนูยอมอยู่ในนั้นต่อยสักพักยิ่งดีเสียกว่าเจ้าพูดจะเล่เอ๋อะไรข้างในนั้นมันใช่ที่ที่ดีที่ไหนรู้ไหมว่าตอนเจ้าถูกจับเพื่อนบ้านรู้กันไปทั่วค่ากับพ่อเจ้าแทบไม่กล้าโผล่หน้าออกจากบ้าน แม่สกุลหลิวตำหนิอย่างไม่สบอารมณ์ข้าบอกแล้วว่าเจ้าคุณสมบัติดีขนาดนี้จะหาคู่ครองแบบไหนก็หาได้ทำไมต้องไปหลงรักผู้ชายที่เคยแต่งงานแล้วและมีลูกติดด้วยผู้ชายคนนี้มีอะไรคู่ควรกับเจ้าบ้างเคิ่เคิข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่าสายตาของแม่ไม่ผิดคนคนนี้มีปัญหาจริงๆอาศัยช่วงที่เด็กยังตัวเล็กอยู่ไปทาแท้งเสียเถอะแล้วเราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่